สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องวัดใต้บาดาลเหนือเขื่อนใหญ่อันดับต้นๆของประเทศในจังหวัดที่ผมอยู่เล่ากันว่ามีวัดจมอยู่ใต้ผืนน้ำที่มีความลึกเกือบ200เมตรตอนสร้างเขื่อนนั้นเมื่อชาวบ้านได้รับเงินเยียวยาจากรัฐแล้วก็พากันอพยพไปอยู่ที่อื่น ตัวเรือนไม้พอขนย้ายได้ก็ย้ายกันไปแต่ตัววัดทั้งโบสถ์และวิหารขนย้ายไม่ได้ก็ต้องปล่อยจมน้ำพระลูกวัดพากันย้ายไปวัดอื่นมีเรื่องน่าแปลกคือหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนแล้วท่านเจ้า ว, วาดก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ไม่มีใครสามารถติดต่อท่านได้พระลูกวัดบอกว่าหลวงพ่อซึ่งตอนนั้นอายุเพียง38ปปีขอให้ทุกคนออกเดินทางไปกันก่อนส่วนตัวท่านเองจะขอนั่งวิปัสสนาอยู่ในโบสถ์อีกสักพักแล้วจึงค่อยตามไปจนเมื่อผ่านไปหลายวันทางการเริ่มสร้างเขื่อนพื้นที่ชุมชน จมน้ำพร้อมกับวัดแห่งนั้นปริมาณน้ำที่มากสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมหาศาลทุกคนตื่นเต้นกับเรื่องนี้จนเป็นข่าวใหญ่โตกว่าจะมีคนนึกได้ว่าท่านเจ้าวาดยังไม่ปรากฏตัวขึ้นก็เริ่มไม่สบายใจชาวบ้านกังวลว่าท่านอาจมีเหตุบางอย่างทาให้ติดอยู่ในโบสถ์แต่บรรดาศิษจํานวนมาก ว่าท่านเป็นพระสายกรรมฐานจึงเน้นปลีกวิเวกป่า น, นี้อาจจอกทุดงไปไหนๆแล้วก็ได้ผ่านไปราว20สปีเริ่มมีข่าวเรื่องวัดใต้บาดาลที่นักประดาน้ำลงไปสำรวจพบว่าสภาพของวัดยังคงงดงามสมบูรณ์อยู่มากและภาพถ่ายที่บันทึกจากใต้น้ำได้รับความสนใจมาก จนทีมข่าวช่องหนึ่งส่งทีมลงพื้นที่ทําสกู๊ปพิเศษแต่เมื่อถามชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงก็ต้องแปลกใจเมื่อไม่ค่อยมีใครให้ความร่วมมือนักหลายคนพูดทํานองว่ามีขวนลงไปยุ่งจะเป็นการรบกวนท่านท่านที่ว่าคือใครนักข่าวก็เลยสงสัย ทีมข่าวพากันกระจายตัวไปคุยกับชาวบ้านอีกหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและอบตอจึงได้ความว่าชาวบ้านเชื่อกันว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาดยังคงจำพรรษาอยู่ที่วัดใต้บาดาล น, นั้นเพราะทุกเช้าเย็นมักจะได้ยินเสียงสวดทําวัดเช้าเย็นดังกล้องสะเทือนไปทั้งคุ้งน้ำทั้งที่ในบริเวณนี้ไม่มีวัดที่ไหนอื่นอีก และเสียงสวดก็เป็นเสียงของท่านแน่ๆทีมข่าวมองหน้ากันเลือกลักจะมาทำข่าวเกี่ยวกับโบราณสถานที่จมน้ำกลายเป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไปเสีแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันข่าวแบบนี้คนไทยชอบกันนักละวันรุ่งขึ้นนักประดาน้ำทีมข่าวก็มาถึงแต่เมื่อเห็นพื้นที่ที่น้าลึกเป็นร้อยรเมตรก็เริ่มกังวล เพราะในทีมมีเพียงคนเดียวที่สามารถดำน้ำลึกได้ขนาดนั้นและอีกอย่างน้ำกลางฤดูหนาวโดยเฉพาะในตอนเช้านี่เย็นยังกับแช่ตู้เย็นทางทีมเลยขอผัดไปลงดำช่วงเย็นเพราะน้ำจะอุ่นกว่าช่วงเย็นตัวแทนนักประดาน้ำกดดำลงไปสำรวจด้วยใจวันวันใครอยากมาที่น้ำจืดลึก ดำมืดสนิทแรงดันน้ำมหาศาลแถมต้องไปถ่ายรูปวัดร้างใต้น้ำอีกแต่ด้วยหน้าที่ก็กัดฟันดำลงไปตั้งใจว่าเมื่อถ่ายวิดีโอจนครบทุกมุมแล้วจะรีบกลับนักประดาน้ำดิ่งลงไปเรื่อยๆน้ำอุ่นเพียงสิบเมตรต่ำจากผิวน้ำถัดลงมายังคงเย็นเฉียบ ชายหนุ่มหนาวจนกัดฟันกระทบกันพยายามฉายไฟตามหาวัดใต้บาดาลตามพิกัดที่ได้มาแรงดันใต้น้ำทำให้เขาหายใจเริ่มลำบากขยับตัวได้ช้าในที่สุดแสงจากไฟกล้องก็ส่องกระทบเข้ากับแสงประกายสีทองแวววาวเขาว่ายเข้าไปดูใกล้ๆเป็นยอดเจดีย์สวยงามสีทอง หน้าทึงตรงที่ไม่มีคลาบตะไคล น, น้ำสักนิดเดียวราวกับเพิ่งสร้างใหม่นักประดาน้ำดิ่งลงลึกอีกเพื่อเก็บภาพทุกมุมเท่าที่จะทำได้เขาส่องแสงไฟกล้องใต้น้ำบันทึกภาพไปเรื่อยจูๆ่ๆก็เริ่มได้ยินเสียงสวดธรรมวัดเย็นเข้ามาเต็มสองหูอย่างไม่น่าเชื่อจะเป็นไปได้ยังไงนี่มันในน้า เขาเริ่มกลัวไหววนรอบรอบอุโบสถรีบถ่ายอย่างเร็วแล้วเตรียมขึ้นจากน้ำแต่ก็ต้องตกใจจนพังาดเมื่อเห็นพระงรงรูปหนึ่งกำลังเดินจงกรมสำรวมอยู่ใกล้โบสถ์ชายผ้าเหลืองปลิวสวัยกิริยาของท่านดูป ก, กติดีราวกับเดินอยู่บนบกแต่ไม่มีอุปกรณ์ดำน้ำอะไรสักอย่าง เขาเห็นแล้วเย็นว่าไปทั้งตัวนักประดาน้ำกลัวจนประสาทเสียรีบถีบตัวพุ่งขึ้นไปหาผิวน้ำอย่างรวดเร็วก่อนได้ยินเสียงไล่หลังโยมอย่าพึ่งไปโยมนักประดาน้ำรีบจนตะคิวกินขาน้ำที่เย็นจัดทำให้อาการแย่ลงเขาก็หยับไม่ได้มองเห็นพาพรูปนั้น เคลื่อนเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ตกใจจนสลบมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่อยู่บนตะลิงแล้วโดยมีทีมข่าวมุงล้อมรอบยังเป็นห่วงพลางเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งช่วยนักประดาน้ำขึ้นมาจากน้ำและมาวางไว้ที่นี่ก่อนหายไปชาวบ้านที่มุงต่างพากันนั่งลงยกมือกราบลงบนพื้น พระหนุ่มท่าทางแข็งแรงรูปร่างสูงใหญ่มีกล้ามเป็นมัดใช่ไหมหนุ่มทีมงานพากันมองหน้าไปมาหรืออาจเป็นพระของวัดที่อยู่ในละแวกนี้แถวนี้ไม่มีวัดมานานแล้วไกลสุดก็หากเป็นสิบโลถ้าจะมีใครช่วยชายหนุ่มขึ้นมาจากน้ำลึกขนาดนั้นได้โดยไม่เป็นไรก็น่าจะมีอยู่รูปเดียวแล้วละ่ะว่าแล้ว ทุกคนก็มองไปที่ผิวน้ำในเขื่อนกว้างใหญ่และยกมือสาธุกันอีกครั้งและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ